ในทีมบ้านอารีโยนโฉมหน่อยยกมื อ, อ, อรับนี้ส่วนมากเด็กๆหน่อยดีไม่ค่อยเพ่งทีมไฟฟ้าครบก่อนนี้นักเพ่งเยอะเลยเพ่งมากๆภาวนายากพวกเราชอบคิดเอาเองนะว่าภาวนาเนี่ยเริ่มต้นต้องทำสมถะ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 เป็นเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งนะกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกหยุดเล้วก็รู้สึกนะบางคนดูเวทนานะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เหมือนกันคําว่าคู่เนะี่ยไม่ใช่ว่าต้องสองอันนะคู่หมายถึงว่ามีการเปรียบเทียบได้มนะันพลิกไปพลิกมาได้อย่างเหรียญอันหนึ่งมันะมีคู่มีด้านหน้าด้านหลังมีหัวมีก้อย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 เช่นโกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้อะไรนะี่โลภแรงๆแล้วถึงรู้อะต่อมาหัดดูไปเรื่อยนะเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นฐานไหมเรียกว่าเป็นมิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่บ่อยๆมิหารธรรมแปลว่าบ้านและที่อยู่อาศัยจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีบ้านอยู่มันจะล่อนเร่ไปเรื่อย เ, อยเป็นจิตจรนจัดจรนจัดหมายถึงจรนตลอดเวลาเคลื่อนไปเรื่อยๆลงตลอดเวลา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 กระทั่งจะทําคุญญมความดีพี่ ย, ยังหลงทําอีกนะอยากทําบุญอยากฟังธรรมอยากอะไรเนะี่ยความอยากยังครอบงําใจไม่เคยเห็นนะก็ได้บุญเหมือนกันนะได้บุญแบบย่าอยู่กับโลกไม่ได้บุญที่จะพ้นโลกหรอกนั่นเราคอยรู้สึกนะครยรู้ทันมีวิหารธรรมไว้อันนึงคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปคนไหนถนัดรู้พุทโธก็รู้ไปแล้วพุทโธมอยู่ในสติปัฏฐานไหมไม่อยู่หรอกนะ พุทโธเป็นความคิดหัดพุทโธก็คือหัดเอาจิตเป็นวิหารธรรมเอาพุทโธพุทโธนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่ น, นขึ้นมาก็จิตเป็นพุทโธตัวจริงพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดนะพุทโธก็หายไปเป็นจิตที่หลงหัดพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านภาวนาเก่งมากเลยแล้วก็เรื่องทางจิตใจนะท่านแปลว่านาอัศจรรย์ท่านอาจารย์บุญจันทร์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 รู้กายเราก็รู้กายถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดรู้จิตก็รู้จิตถนัดรู้ธรรมเรู้ธรรมไปนะอะไรก็ได้เหมือนๆกันหมดแหละถ้ารู้ถูกต้องเราสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นนะงั้นในตำราเราสอนไวช่ชัดเลยว่าสติปัฏฐาน4เหมือนประตูเมือง4ทนะิศเข้าประตูเมืองเราต้องเข้าทั้ง4ทิศหมไม่ต้องเข้านะ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 ในพระไตรปิฎกบอกเลยคืนสุดท้ายนะพระนนยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายนะด้วยกายมีสติรู้กายไปท่านที่รู้เวทนาแล้วก็ถึงที่สุดนะั่นคือท่านพระสารีบุตรพวกกายจะสู้พวกเวทนาไม่ได้พวกเวทนาแตกฉานไกวเนะพราะกายานี้ทัางทำง่ายเวทนาทำยากนะเหมาะกับพวกที่อินทรีย์แก่กล้ามากมากบาร ม, มีเยอะ ท่านที่บรรลุด้วยกันดูจิตก็มีคือท่านพระอนุรุตท่านพระอนุรุตดูจิตจิตมีกิเลสเลยท่านคอรู้รู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปปรุงแต่งท่านไปถามท่านพระสารีบุตรว่าาแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญผมมีทิพระจักษุเลิศเกิดเทวดาและวมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทําไมผมไม่บรรลุพระอราหารันต์สติ ท่านภาษาริบุตรก็สอนท่านพระอนุรุธให้ดูจิตเลยดูจิตนี่ไม่จําเป็นเราต้องส่งจิตไปดูเขานะไม่จําเป็นหรอกแค่เขาพูดออกมานีถ้าเขาไม่แกล้งพูดนะมันก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาละอย่างท่านภาษาริบุตรท่านคงไม่ได้ไปดูจิตท่านพระอนุรุธเสียเวลาท่านแค่ฟังปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่ามีกิเลสอะไรท่านก็แยกให้พระอนุรุธฟังบตรงที่ท่านบอกว่า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 นะท่านแยกด้วยคําพูดที่พระ อ, อนุรุธพูดออกมานี่เองสะท้อนเลยว่ามีกิเลสไหลซ่อนอยู่สําหรับคนที่ฟังเป็นนะก็รู้เลยท่านพระสารีบุตก็สอนท่านพระนิรุตว่าให้ท่านรู้ทำสาธธรรมให้รู้ทันนะทำสามอย่างเนี้ยก็คือความอวดเก่งอวดดีกูเก่งกูแน่เห็นไหมความฟุ้งซ่านของจิตที่ไปดู น, นู่นนี่ไม่ดูตัวเองนี่ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านแสาสายออกข้างนอก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 รู้เลยทางขึ้นเขานะมีทั้งสี่ทิศเลยในทางนี้ต้องปีนหน้าผานะยากหน่อยบางคนให้มันขึ้นดีๆไม่ชอบนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปบางคนชอบสบายมีถนนขึ้นมามนขับรถขึ้นมาเลยขึ้นยอดเขาเหมือนกันนะผู้เขาเดียวกันเลยไอ้พวกไหนเคยขับรถขึ้นมานะยังไม่สุดทางแล้วก็คิดว่าขับรถขึ้นไปดีที่สุดไอ้พวกชอบปีนหน้าผาเพาว่าปีนหน้าผาดีที่สุดแต่ละคนไม่เหมือนกันหอก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 ครูบาอาจารย์ท่านเอาไปอ่านนะครูบาอาจารย์จารย์อนุสอนเนี่ยเอาไว้ให้หลวงพ่อถุยอ่านรู้จักหลวงพ่อถุยไหมอยู่วัดป่าด่านวิเวกจัน์มหาบัวรับรองเลยนะตอนอาจารมหาบัวอย่างแข็งแรงกว่าช่วงเนี้ยท่านไปทุกเดือนเลยไปวัดป่าด่านวิเวกทุกเดือนไปเยี่ยมกันท่านยกย่องหลวงพ่อถุยมากเลยครูบาอาจารย์รุ่นนี้ที่ท่านยกย่องนะั้นก็มีอาจารย์ถุยนะจันย์จันเรียน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 ท่านพระอานุนท่านสอนไว้บางท่านใช้สมาธินําปัญญาทําใจให้สงบองมานะพอใจสงบแล้วมันชอบเฉยอยู่เนี่ยให้มาดูไกายอย่าไปทําความสงบแล้วไปดูจิตนะนิสิมเชนิ่งไม่มีอะไรให้ดูไม่เคลื่อนไหวให้ดูนิ่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดชอบรักสุขรักสบายอะไรเนี่ยทําความสงบง่ายเพราะว่าทําแล้วมีความสุขก็จะชอบทําสมถะ พอทำความสงบแล้วเนี่ยมกักจะติดในความสงบอยู่เฉยๆเท่านี้ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะต้องมาเดินปัญญามีสติค้นคว้าลงในกายเนะบื้องต้นจิตมันไม่ยอมรู้กายนะก็อาศั ย, ก า, ยนะออาการน้อมนึกไปคิดเอาคิดพิจารณากายเป็นอุบายเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวนะไม่ให้จิตติดเฉยพอพิจารณาไปนิดหน่อยนะพอให้ใจมันคุ้นเคยที่จะเดินปัญญาค้นคว้าอยู่ในกายแล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องคิดเอารู้สึกเอา รู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นกายมันทางานไปเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงของมันอันนี้สําหรับคนที่ชอบทําสมาธิชอบความสุขความสบายทําความสงบแล้วมาดูกายอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากทําสมาธิไม่สําเร็จหรอกท่านพระนนก็สอนบอกว่าพวกนี้ใช้ปัญญานําสมาธิใช้ปัญญานําสมาธิคือให้มีสตินี่แหละ รู้กายรู้ใจของเราไปโดยเฉพาะดูใจนะรู้ทันใจของเราใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแกนะว้งขึ้นแกว้งลงทั้งวันเลยหมุนติ้วติ้ติตทั้งวันนะมีสติตามดูไปนะดูไปดูไปนะจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะค่อยตั้งมั่นค่อยๆสงบขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดเองกระทั่งตอนที่เกิดอริยมรคนะยังไงก็เกิดฌานบางคนคิดว่าถ้าไม่ทําฌานแล้วจะไม่เกิดมรเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลย เงือนพวกสุขาวิปสัสสกะเป็นพระลรหันส่วนใหญ่นะสุขาวิปสัสสกะพระเจ้าท่านบอกว่าในภิกษุ500องค์เนี่ยจะมีภิกษุที่ได้วิชาสามวิชาสามเนี่ยหกองคนะ์มีเลทของท่านนะอันนี้เลทของคนรุ่นท่านด้ยนะไม่ใช่เลทของเรานะรุ่นนี้เหรอ500้อองค์ไม่บรรลุเลยส่วนมากจะอย่างนั้นนะของท่าน500องค์เนี่ยเป็นวิชาสามแค่หกสิบ เป็นอภินยา6กสนะักหกจะได้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตตนะคือมีทั้งคู่เลยนะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนะีนะ่ยแล้วก็เป็นสุขาวิปัสสกะพวกที่เหลือพวกนี้ไม่ได้ส่งชานนะไม่ได้ชานเจริญสติดูจิตดูใ จ, ใจเรื่อยไปนี่แหละนะถึงจนุหนึ่งนะฉันมันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคจะไม่ชำนาญในสมาธิไม่มีของเล่น แล้นส่วนใหญ่นะียจะบรรู้ด้วยลักษณะพอสุขภาพิปัสสกะไม่มีสมาธินําหรอกนะงั้นดูไปเลยอย่างท่านสอนชาวบ้านใช่ไหมสมัยพุทธกาลสอนชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งบรรลุกันแ ย, ย, ย่เลยพวกนี้ไม่ได้เข้าฌานยั้นบา ง, งคนเข้าใจผิดแล้วต้องเริ่มด้วยการเข้าฌานแล้วเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าเถอะเข้าแล้วก็มาดูกายให้ดีก็แล้วกันนะพอพ้นทุกได้พอพ้นทุกแล้วก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละ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 ตลาดวันตลาดคืนทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สถีแต่ไม่ได้ถามท่านอย่างนี้นะแต่โดยเนื้อหาถามแบบนี้ถามนี้ท่านมองหน้าปลาดท่านก็แก้ให้เลยท่านบอกที่ดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตละดูไม่ถึงจิตละให้ไปบริกรรมทําความสงบให้ใจตั้งมั่น ร, รู้เล้ใจไม่ตั้งมั่นมาพิจารณาทีหลังนะรู้ว่าใจไม่ตั้งมั่น ร, รู้ตรงนี้เอาตัวรอดได้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 ติดอยู่ตรงนี้พอรู้ทันนะก็หลุดพ้นออกมาเกิดมรรคพวกเราที่ภาวนาที่ดูจิต ด, ดูใจรู้สึกัหมดูจิต ด, ดูใจแลา ว, ว่างๆสว่างขึ้นมาแล้วเราก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ตรงนั้นใจเนี่ยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านออกไปไหนฟุ้งซ่านออกไปอยู่ในความว่างๆติดโอภาษ์อยู่ติดวิปัสสนูนั่นแหละวิปัสสนูมี1ิบตัวนะมีโอภาษนี่เป็นตัวอย่าง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 แต่ถ้าดูเป็นจะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านออกไปมันส่งออกนอกออกไปนะเนี่ยท่านพา น, นิท่านบอกว่าถ้ารู้ทันตัวนี้นะก็เกิดหมักได้เห็นไหมมีสี่แบบนะที่เห็นเห็นนะยุคนี้ก็มีทำสมถะนะทำสมาธิแล้วไปต่อปัญญาเจริญปัญญาแล้วไปเกิดสมาธนะิอุปโตภาคอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรล่ลนะค่อยมีส่วนพวกโอภาษนี้รุ่นต่อไปนี่จะเยอะละ พวกที่มาเรียนเรียนดูจิตดูใจละว่างๆขึ้นมามีติดอยู่ตรงนี้เยอะแต่ไม่ใช่ว่าดูกายไม่มีวิปัสสนูนะดูกายก็มีวิปัสสนูไม่น้อยเหมือนกันเลยมีปัสสนูบางทีคลุ้มคลั่งนะที่กัดคนนู้นคนนี้อยากเทศอยากแสดงธรรมน่นพวกวิวปัสสนูนะหลวงพ่อเคเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะปกติเนี่ยถ้าไม่พูดธรรมะเหมือนคนปกติเยี่ยบเลยแต่พอพูดธรรมะเนี่ยใจร <c oughs> ะเบิดเถิดเถิงเลยนะ เป็นสุดเบี่ยงไปเลยเราก็สงสัยเอ๊ะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะตั้งหลายองค์ทําไมท่านไม่แก้ให้ดูดโอ้แก้ไม่ไหวะรอพระสีอานมาแก้แล้วแล้วกันดูแล้วผู้เท่าก็แก้ไม่ไหวะอย่างเราก็แก้ให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้นับถือเราเราพระเด็กเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เลยนี่มีหลายแบบนะพวกมิปสนุนเพียนไปมันคิดว่ากูเป็นพระลรหันด้วยซ้ําไป ยังอยู่ในโอภาษ์นะใจโล่งว่างเลยบอกไม่มีกิเลสเลยมันรู้พระอราหารันต์ละระวังให้ดีนะดูจิตดูใจแล้วมันจะไปอยู่ในความว่างความสว่างเนี่ยความโปร่งใสแต่จิตส่งออกนอกถ้าสังเกตให้ดีจิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นออกไปโล่งๆสบายอยู่บอกว่าไม่มีกิเลสทั้งๆ ท, ท, ที่กิเลสเกิดครอบอยู่มองไม่เห็นเนะีนการปฏิบัติมีทั้งหลายแบบนะทางใครทางมัน คูบาอาจารยงหนึ่งท่านสอนดีหลวงปู่ดู่หลวงพ่ อ, อยังเสียดายเลยไม่ไม่รู้จักท่านสมัยโน้นมัวแต่ลุยอีสานนะไม่รู้ว่าพระดีก็อยู่อโยธยาศรีรามเทพนคร น, นี่เองไปวิ่งไปสไกายเลยหลวงปูด่ดูท่านสอนดนะีว่าคนภาวนานะมันมีกิเลสหลายชั้นกิเลสขั้นละเอียดเนี่ยดูยากมากท่านยกตัวอย่างกิเลสละเอียดละเอียดนะอันแรกเลยบ้าอาจารย์ เป็นเปล่านะเห็นไหมคําสอนครูบาอาจารย์แต่และองค์นั้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจารย์อาจารย์ชั้นนยอดที่สุดเลยอาจารย์ชั้นเป็นพระอราหันต์ตัวจริงนะคนอื่นไม่ใช่หรอกอาจารย์ฉันเก่งกว่าคนอื่นองค์อื่นถึงเป็นพระอราหารันต์ก็ไม่ฉลาดนะไปอย่างนั้นก็มีนะเนี่ยพวกบ้ามากแล้วนะนี่พวกกิเลสครอบงาพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจารย์นะภูมิใจแล้วนะ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 าบอกว่าการปฏิบัติต้ตองดูจิตเท่านั้นกิเลสนะเห็นไมมันมีวิธีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ว่าวิธีของฉันดีที่สุดสุดท้ายมก็ฉันนั่นแลหละถ้าใครพูดไม่เหมือนฉันก็โมโหแล้วอยากสงสารนะอยากไปแก้ให้เขาถ้าเขาไม่ฟังก็โมโหแล้วมีนะเยอะแล้วก็พวกไปหลงอยู่ในภพภูมิที่ประณีตภาวนาแล้ววันๆนะไม่ยุ่งกับใครแล้วสบายเป็นพระอรหรันต์ มีแต่ความสุขล้วนๆนี่นิพพานนิพพานังปรามังสุขขังนี่พวกไรสาระนะดูกิเลนไม่ออกมันมีตันหาตันหานันมีราคะมีความเพเลิดเพลินพอใจมีความยึดถือในความว่างความว่างก็เป็นภพมันหนึ่ง น, <c oughs> นั่นพวกเราภาวนาเราค่อยๆสังเกตไปการภาวนามีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนั่นแหละรู้กายไปรู้ใจไปอย่าลืมมัน ส่วนสมถะคนไหนทําได้ให้ทํานะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่ทําสมถะไม่ทําสมถะไม่ดีเลยถ้าทําสมถะได้ให้ทำํำนะถ้าทําไม่ได้ก็ต้องให้จิตได้พักผ่อนบ้างไหวพระสวดมนต์ไปเรื่อยพุโทโธไปเรื่อยมันก็เป็นสมถะอ่อนๆนะพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ความสงบขึ้นมาใจสงบใจตั้งมั่นก็จะมีเรี่ยวมีแรง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 เป็นคารวาสที่มีความสุขเป็นครือข่าผู้ครองเรือนผู้ไม่ได้ประพฤติประมาจันอยู่กับโลกอยู่กับครอบครัวเราก็เจริญสติไปนะหารู้กายหารู้ใจไปชีวิตเราก็มีความสุขนี่ความสุขมากกว่าคนที่ไม่เจริญสติเนื้อี่สูดได้เยอะแยะเลยทุกวันนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะมากเลยแต่ถ้าใครอยากได้มรรคผล น, นิพพานก็ต้องขยันมากกว่านั้นไม่ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบหรอก